อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ54 1. ิภิกษุนอนพัก 2-3 ถึงคืน 2. ภิกษุพักต่ำกว่า2ถึงคืน 3. ภิกษุพัก2คืนพอคืนที่3ออกไปก่อนอรุณขึ้นแล้วกลับเข้ามา 4. ภิกษุนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องบางทั้งหมด ห้พิกูจนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องบังทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องมุงทั้งหมด6กพิกูจนอนร่วมกันในที่นอนไม่มีเครื่องมุงส่วนมากไม่มีเครื่องบังส่วนมาก7จพิสูจนั่งในเมื่ออนุปสัมบันนอน8ปพิสูจนอนอนุปสัมบันนั่ง9กพิกูจนั่งและอนุปสัมบันก็นั่ง10บพิกษุวิกลจริตสิบเอพิสูุต้นบัญญัติสัเสยะสิขาบทที่5จบ